ถึงการปฏิบัติธรรมหรือว่าการภาวนาหลายคนก็จะพูดว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาอันนี้มันเป็นเปรดผลที่เราได้ยินบ่อยแต่ก็แปลกนะไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมแต่ว่าหลายคนมีเวลาเล่นโทรศัพท์มือถือวันหนึ่งก็หลายชั่วโมง หรือว่าไถเพื่อดูข้อมูลข่าวสารซึ่งก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะจากโซเชียลมีเดียหรือไม่ชนั้นก็หมดเวลาเป็นชั่วโมงช่วมงไปกับ Tik t o อกนะที่หลายคนก็หมดเวลาเป็นวันนะกับเกมออนไลน์ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เท่าไหร่เลยแอมยังเกิดโทษสิกนะเพราะว่าหมดเวลาไปเป็นวันๆกับเรื่องเหล่านี้งั้นเข า, าไม่มีผลเนี่ยมันก็ไม่มีเวลาเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่ข้ออ้างควบคู่คไปกับการที่ไม่ค่อยได้เห็นความสําคัญเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราถามใหม่นะว่าเออแล้วมีเวลาล้างหน้ามไหมมีเวลาอาบน้ํำไหมมีเวลากินข้าวไหม มีเวลาแต่งตัวั้มมีเวลาล้างจานหรือเปล่ามีเวลารดน้ำต้นไม้ไมั้มถ้ามีเนะี่ยมันก็ปฏิบัติธรรมได้แล้วละ่ะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้แยกไปจากชีวิตประจำวัน มันไม่ใ่สิ่งที่ต้องเลือกระหว่างปฏิบัติธรรมนะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเช่นต้องเลือกระหว่างนะปฏิบัติธรรมนะกับการอาบน้ําการถูฟันหรือการทํางานด้วยซ้ําถ้าเรามีเวลาอาบน้ํามีเวลาถูฟันมีเวลาแต่งตัวมีเวลากินข้าวนะแล้วก็มีเวลา หลัปฏิบัติธรรมแล้วล่ะอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คนจํานวนมากเนี่ยไม่รู้นะเพราเวลาพูดถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เป็นนึกถึงการนั่งหลับตาเรียกว่าการทําสมาธิอันนั้นก็ใช่อยู่นะแต่ว่าปฏิบัติธรรมหรือการภาวนาเนี่ยหรือทำรรํำกรรมฐานเนี่ยมัน มันมีความหลากหลายบางอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะทำไปพร้อมๆกับนะกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ไม่ช่ยต้องละทิ้งนะกิจกรรมที่ทำเป็นปกติในชีวิตประจำวันนะมาเข้าวัดหรือว่ามาเข้าห้องพระเพื่อทำสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมหรือภาวนา เดี๋ว่าจะเป็นการเจริญสติการทาความรู้สึกตัวเนี่ยสามารถจะทำไปพร้อมๆหรือทำควบคู่ไปกับกิจกรรมหรือเอไ เ, เ, เรียบทต่างๆในชีวิตประจาวันได้ไม่ต้องยกเลิกไม่ต้องเลือกว่าจะต้องทําปฏิบัติธรรมหรือว่าต้องอเลิกระหว่างปฏิบัติธรรมกับการกินข้าวไม่ต้องเลย เพราะว่าการจดญิตเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่อะไรอื่นนอกไปจากการมันก็ไม่ใช่อะไรอื่นนะแต่เป็นการวางจิตวางใจให้ถูกต้องนะเวลาเราทำกิจกรรมต่างๆนั่นคือทำด้วยความรู้เนือ้อรู้ตัวทำอะไรก็ทำด้วยใจเต็มร้อย ไม่ใช่ทำแบบครึ่งครงกงึกลางๆหรือทำแบบห้าสิห้าสิบหรือทำหลายอย่างพร้อมกันพระเจ้าเคยตรัสนะว่าเนี่ยให้ทำความสึกตัวเวลาเดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังซึ่งก็ไม่ได้ไหมายความว่าเดินจงกรมเท่านั้นเดินมาหาอไตรนะเดินไปขึ้นรถนะ เดินระหว่างตึกในที่ทำงานหรือว่าในโรงเรียนมหาชิไ่ไาลก็ได้ทำความสึกตัวเดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังนะเดี๋ยวซ้ายแลขวาก็ทำความสึกตัวคู่ขาเหยียดแขน ก็ให้ทำด้วยความรู้สึกตัวรวมทั้งเนี่ยแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยอย่างพระเนี่ยเวลาสะพายบาทรผ้าสังคติหรือหอมจีวรเนี่ยท่านก็ให้ทำด้วยความรู้สึกตัวคือไม่ปล่อยใจลอยคิดนั่นคิด น, ดนี่กินดื่มเคี้ยวลิ้มก็ทำด้วยความรู้สึกตัว อุจารปัสสาวะนะซึ่งก็ทำทุกวันเราก็ทำด้วยความสึกตัวยืเนเดินนั่งหลับตาตื่นนิ่งพูดก็ทำด้วยความสึกตัวนี่ก็ปฏิบัติแล้วถ้าเรามีเวลากินดื่มเช้่อมลิมเนี่ยเราก็ปฏิบัติได้ถ้าเรามีเวลาเข้าห้องนำ้ำอุจารปัสสาวะเราก็ปฏิบัติได้ นั่นคือการเจริญสติทำความศสึกตัวจริงอยู่ในาการเจริญสติเนี่ยบางครั้งเราก็ทำในรูปแบบอย่างเช่นที่นี่ก็อย่างเช่นที่นี่ก็มีการเดินตรงกลมสร้างจังหวะอันนี้เรียกว่ารูปแบบแเมื่อเราเดินตรงกลมสร้างจังหวะเนี่ยเราก็ ไม่ได้กินข้าวไม่ได้อานน้ำเราต้องอกินข้าวเสร็จซะก่อนอานน้าให้เรียบร้อยซะก่อนจึงจะมาเดินโยงกลมมาสร้างจังหวะถ้าเป็นการปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยนะมันก็แน่นอนนะที่จะต้องหาเวลามาทำสิ่งนี้ซึ่งก็ไม่ใช่แค่ว่าเนี่ย ต้องอาบน้ำไม่เสร็จก่อนหรือว่ากินข้าวเสร็จก่อนอาจจะวมถึงว่าอาจจะต้องงดเล่นเกมออนไลน์งดดูหนังงดดูซีรีส์งดเล่นโทรศัพท์มือถืออย่างนี้ต้องเลือกแลละหลายคนเวลาเราพูดถึงการปฏิบัติก็ถึงถึงการปฏิบัติในรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยบอกไม่มีเวลาแต่มีเวลาสำหรับการถ่ายโทรศัพท์มีเวลาสำหรับการดูซีรีส์มีเวลาสำหรับการเล่นเกมออนไลน์แต่ถ้ามองว่าการปฏิบัตินเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่นั้นไม่ใช่มีแค่การทำในรูปแบบแต่ว่าเป็นการปฏิบัติที่กลมกลืนไปกับชีวิตประจำวัน กินดื่มเชี่ยลิ้มใส่เสื้อนุ่งกางเกงระหว่างที่ใส่เสื้อระหว่างที่นุ่งกางเกงก็ทำความรู้สึกตัวไปหรือเจริญสติไปเก็บที่นอนก็เจริญสติได้ถ้าเข้าใจการปฏิบัติในความหมายเนี่ยมันไม่ต้องถามนะว่ามีเวลาทํำไหม เพราะมันไม่ต้องการเวลาพิเศษไม่เหมือนการปฏิบัติในรูปแบบมันต้องอาศัยเวลาพิเศษจะต้องงดบางอย่างเพื่อมาปฏิบัติธรรมเล่นเกมให้น้อยลงดูหนังให้น้อยลงหรืองดดูหนังเพื่อได้มาเจริญสติไม่วจะเป็นการนั่งหลับตาตามลมหายใจหรือเดินจงกรมสร้างจังหวะ แต่ถ้าเป็นการจลสติที่ไม่มีรูปแบบนะที่คมเกลื่อนกับชีวประจําวันมันไม่มีคําถามว่ามีเวลาหรือเปล่าเพราะว่าเราทําได้นะกับพร้อมๆไปกับควบคู่ไปกับจิจวัตรหรือกิจกรรมที่เราทําในชีวประจําวันแล้วถ้าเทียบระหว่างการปฏิบัติในรูปแบบกับ ก, บการปฏิบัติที่กลื่นไปกับชีวประจําวันแล้วเนี่ย ในแง่หนึ่งเนี่ยอย่างหลังที่สำคัญกว่าเพราะปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยเราก็ทำได้ไม่นานวันหนึ่งอาจทำได้ค่ชั่วโมงสองชั่วโมงหรือว่าถ้าว่าจะทำทั้งวันแบบเวลาเข้าคอร์สหรือมาวัดเราก็ทำได้อย่างมาก็จะสักเ็วัน1เดือนหรือ3มเดือนแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องกลับไปสู่ โลกภายนอกใช้ชีตกลืนไปกับโลกภายนอกใชาว่าเรารู้จักเนะจริญสติให้กลืนไปกับชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะเวลากับการปฏิบัติได้มากทีเดียวถ้าเรารู้จักปฏิบัติโดยที่ไม่ใช้รูปแบบเนี่ยแต่ปฏิบัติตั้งแต่เช้าตื่นนอนขึ้นมาจนเข้านอนเลย แม้จะไม่ได้เดินจงกรมสร้างจังหวะเลยเนี่ยแต่เราก็สามารถจะปฏิบัติได้หลายชั่วโมงทีเดียวถึงแม้ว่าครึ่งหนึ่งนะอาจจะหมดแต่ความหลงลืมนะตื่นนอนดีห้าหกโมงเช้านียจนถึงสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยมันก็หลายชั่วโมงนะ 16ชั่วโมงถึงแม้เราจะไม่ปฏิบัติในรูปแบบเลยเนี่ยแต่ถ้าเราพยายามปฏิบัติให้มันกลืนกับชีวิตประจําวันแม้ว่าจะหลงไปสักครึ่งหนึ่งหรือ50เรซ็นต์ายังปฏิบัติได้เนี่ยถึง8 8ชั่วโมง78ชั่วโมงหรือสีเดียวถึงแม้ว่าคุณภาพของการปฏิบัติอาจจะสู้การปฏิบัติในรูปแบบไม่ได้เพราะการปฏิบัติในรูปแบบเนี่ย มันเป็นทางลัดเป็นตัวเร่งให้สติเติบโตได้เร็วไม่มีสิ่งมารบกวนมาเท่ากับเวลาที่เราปฏิบัติในชีวประจําวันก็จะมีสิ่งรบกวนบางทีก็เผลอคิดนนวนคิดนี่ตามสิ่งที่มากระทบแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักนะขนควหรือมีชั้นท่าในการปฏิบัติ นอกรูปแบบเนี่ยโอ้เราจะปฏิบัติได้เยอะเลยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยถึงแม้จะบอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยแต่ก็ยังมีเวลาปฏิบัตินอกรูปแบบ ม, มีเวลาเจริญสติทําความสึกตัวแ ม, แม้ว่าเราปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยแต่ว่าการปฏิบัตินอกรูปแบบก็ยังสําคัญนะพอเวลาเราออกจากทางจงกรมแล้วออกจาก เราลูกจากการสร้างจังหวะเรากลับเข้าที่พักเราอาบน้ำเราถูฟันเรากินข้าวเราปูเสือ่อปูที่นอนพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นโอกาสในการเจริญสติแม้ว่าจะเจริญสติได้ไม่ดีเท่าการปฏิบัติในรูปแบบถ้าเปียกไปแล้วเนี่ยการปฏิบัติในรูปแบบเนี่ย มเมื่อการเติมน้ำนะเติมน้ำในโอ่งถ้าเราเติมอยู่เรื่อยๆเติมทั้งวันแม้ขันจะเล็กแม้ถ้วยจะน้อยแต่เราใส่ทุกวันใส่ใส่ทั้งวันนะน้ำในโอ่งก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรือว่าเราเปิดก๊อกนะถ้าก๊อกน้ำไหลแรงก็ก็เต็มเร็ว น้ำไหลช้าก็เต็มช้าแต่ว่าพอเราหยุดปฏิบัติในรูปแบบนี้ก็เหมือนกับเราหยุดเติมน้ําเราปิดก๊อกน้ํายังไม่ทันเต็มโอ่งเลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเติมเท่าไหร่มันจะเหลือเท่านั้นนะเพราะว่าโอ่งเนี่ยอาจจะมีรูรั่ว อ, อาจจะมีรอยร้าวนะงั้อุตส่าห์เติมทั้งวันแต่ว่า ว่าเช้าว่าุ่งขึ้นอา้าวไอ้ที่เติมไปหายหมดละเพราะมันรั่วไปตามรอยรล้าวหรือรอยแตกอันนี้ก็เปรียคนที่ปฏิบัติในรูปแบบอย่างเดียวแต่ว่าพอหยุดปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยออกจากทางจงกรมเลิกสร้างจังหวะก็ปล่อยใจลอยคิดโน้นคิดนี่ อาน้ำถูฟันก็ปล่อยใจลอยนะกินข้าวก็ปล่อยใจลอยก็เหมือนกับน้ำที่องค์ที่เติมน้ำทั้งวันแต่ว่าปล่อยให้มีรูรั่วหรือมีรอยร้าวนี่คตรงข้ามกับว่าเราไม่ได้เพียงแต่ปฏิบัติในรูปแบบแต่เรามีการปฏิบัตินะนอกรูปแบบแม้จะออกจากทางจงกลมแม้จะ เลิกสร้างจังหวะแต่เราก็ยังทำความสึกตัวในการทำกิจต่างๆตั้งแต่ลุกนะจากที่นั่งเดินไปกุฏิก็มีความสึกตัวโดยไม่เพ่งแล้วก็ไม่ปล่อยใจเผอมันก็เหมือนกับว่าองค์ใบนั้นเนี่ยนะก็มีการรักษาไม่ให้มีรอยรั่วไม่ให้มีรอยรั่วไม่ให้มีรอยราว โอ้เงยถึงแม้จะไม่มีรอยร้าวรอยแตกหรือรูรั่วเลยนะน้ำจำนวนไม่น้อยก็ซึมนะข้ามวันข้ามคืนเนี่ยน้ำไม่รู้เท่าไหร่ก็ซึมร ะ, ะเหยเไปหมดอันนี้คือเปรียบเมกับคนที่ปฏิบัติแต่ในรูปแบบแต่ถ้าปฏิบัติในรูปแบบด้วยปฏิบัตินอกรูปแบบด้วยเนี่ย มันก็หมายความว่าเติมน้ำเยอะแต่ขณะเดียวกันก็รักษาน้ำไม่ให้ซึมหายหรือรั่วไหลในน้ําก็จะเติมน้ำาก็จะเต็มโอค์ได้เร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยมันต้องทำควบคู่แบบการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะบางคนจะไม่เข้าใจนะว่าปฏิบัตินี่มันมีต่เฉชาะรูปแบบ สมัยที่อาตมาเคยบวชใหม่ๆที่วัดสนามในเนี่ยโว้ยเดินจงกรมสร้างจังหวะทั้งวันแล้วก็ไม่อยากให้ใครมากวนเลยนะแต่มีวันหนึ่งเนี่ยเห็นโยมพ่อโยมแม่เดินเข้ามาที่วดเห็นไกลๆเนี่ยแค่เห็นนี่ก็หงุดหงิดละเพราะอะไรเพราะว่า เข้าใจว่าเนี่ยท่านมานี่ก็จะมาขัดขวางการปฏิบัติของเราเพราะพอท่านมาเราก็ต้องพูดคุยกับท่านต้องหยุดเดินจงกรมต้องหยุดสร้างจังหวะมีความไม่พอใจว่าการปฏิบัติของเราสะดุดจริงเนี่ยแม้ไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้สร้างจังหวะขณะที่พูดคุยกับท่านเนี่ยมันก็จะปฏิบัติได้นะคือเจริญสติไปกับการพูดคุย นะคุยอย่างมีสติระหว่างที่ฟังเราก็ฟังด้วยใจที่ไม่ลอยหรือว่าไม่ใจไม่กระเพื่อมบางประโยชน์บางถ้อยคาอาจจะเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาหรือเกิดความไม่พอใจเราก็เห็นอารมณ์ความรู้สึกนั้นที่จริงเราควรจะรู้ทันตั้งแต่ตอนที่มีความหงุดหงิดแล้วแหะเมื่อเห็นท่านเดินมาแต่ไกลนะแต่ว่าเราก็ไม่เห็น เพราะว่าไม่รู้จากการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้กายเคลื่อนไหวจะ่ต้องเห็นใจคิดนึกด้วยอย่างที่บอกเมื่อวานนี่ไม่ใช่เห็นไม่ใช่รู้กายเคลื่อนไหวไม่ทํากิจแต่เห็นใจคิดนึกเมื่อเจอผัสสะเช่นเห็นคนมาแล้วรู้ว่าเขาจะมาคุยกับเราเนี่ยก็ะจะทําให้เราต้องหยุดการปฏิบัติเกิดความไม่พอใจขึ้นมาก็เห็นความไม่พอใจ ในะการปฏิบัตินี่แหละมันเริ่มมันนี่ก็เป็นการปฏิบัติเหมือนกันแต่ตอนนั้นไปเข้าใจว่าปฏิบัตินี่มันต้องเดินจงกรมสร้างจงังหวะส่วนเวลาเจอผัสสะเจออะไรมากระทบเนี่ยไม่ได้คิดเลยว่านั่นเนี่ยคือโอกาสของการปฏิบัติแล้วรวมทั้งเวลาทํากิจอื่นๆด้วยเช่นพูดคุยแล้าคนที่ฉลาดเนี่ยนะเขาจะเขจะปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา ทำอะไรใจก็รู้หรือสติก็รู้สึกนะว่ากายทำเจออะไรมีความคิดอารมณ์เกิดขึ้นก็รู้อะไรที่รู้ก็สตินะที่รู้อาจารย์ประสงค์ัเคยเล่านะเคยไปงานศพของโยมคนหนึ่งพ่อแม่เาเจพ่อแม่ของเด็กคนหนึ่งเป็นเจ้าภาพพ่อแม่นี้ไม่มีเวลา ไม่ว่างที่จะมารับต้อนรับอาจารย์ประสงค์ทันทีก็ให้ลูกสาวมาต้อนรับลูกสาวก็ยุ10ขวบอาจารย์ประสงค์ก็คุยกับลูกสาวคุยก็พบว่าเนี่ยลูกสาวเนี่ยเป็นคนที่เป็นเด็กที่ฉลาดนะแล้วก็พูดจากระฉับ ฉ, ฉานดีนะไม่เคอะเขินอาจารยบอกว่านหนูเป็นเด็กฉลาดเด็กดีนะหลวงพ่อจะให้รางวัลหนู แล้วก็ดึงรูปประคำออกมาจากยามเด็กเห็นเด็กก็ร้องอู้ฮูอาจารย์ประสงค์ท่านวายท่านก็ถามว่าหนูร้องอู้ฮูหนูเห็นอะไรแต่ที่เด็กบอกหนูเห็นรูปประคำค่ะเด็กบอกว่าหนูเห็นข้างในมันดีใจค่ะหนูเห็นข้างในมันดีใจก็เห็นความดีใจนั่นแหละนี่ก็เรียกว่าปฏิบัติแล้วนะ เห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกทุกข์แต่หรือความยินร้ายแม้ความยินดีความดีใจก็เห็นนี่เรียกปฏิบัติละปฏิบัติในระว่งในระหวังที่พบปะสนทนากับพระหรือกับใครก็ตามเท่านั้นไมพอนะอาจารย์ประสงค์กรถามว่าเราหนูทําไงกับมันหมายถึงว่าข้างในมันดีใจเนี่ยหนูทําไงหนูทำไงกับมันเดี๋ยวก็ตอบว่าหนูแค่ดูมันเฉยๆค่ะ ตอนนี้มันเบาลงแล้วความดีใจ ล, ลดลงแล้วดูเนี่ยคืออะไรก็ดูเฉยๆหนูก็ดูมันเฉยๆไม่ได้ทำอะไรกับมันไม่กอดเห็นความดีใจก็ไม่กอดคนเราเนี่ยเวลาเจอสุขเนี่ยก็กอดเวลาเจอทุกข์ก็กดหรือผักใสเวลาดีใจก็โถงเข้าหาเวลาเสียใจก็ผักใสออกไป แต่เด็กคนนี้แค่ดู้เฉยๆที่นี่นที่คูบาจะเรียกว่ารู้สื่อๆเนี่คือการปฏิบัติแล้วนะไม่ใช่ต้องมายกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมบางคนนี่เวลาคุยกับใครเนี่ยก็ต้องยกมือสร้างจังหวะไปด้วยหารู้ไหมว่าจริงๆอ่ะก็ตอนพูดคุยนั่นแหละก็สร้างจังหวะได้ไอ้ตอนพูดคุยก็เจริญสติได้การเจริญสติ การยกมือสร้างจังหวะเป็นเพียงแค่รูปแบบแม้ทั้งเวลาสวดมนต์เนี่ยนะเราก็เจริญสติไปขณะที่สวดมนต์ได้นะระหว่างที่ใจรอหงที่สวดมนต์ใจลอยปากว่าไปแต่ใจไม่รู้อยู่ไหนมีสติเห็นมันดึงจิตกลับมารองฟังธรรมเนี่ยก็เจริญสติได้ไม่ว่าไม่จำเป็ไปไปต้องยกมือนะเพียงแค่ ใจเนี่ยรับรู้เสียงเสียงที่มากระทบหูนะและใจเนี่ยก็ติดตามคำบรรยายมันบางทีใจเผลอหลุดลอยไปคิดเรื่องอื่นมีสติรู้ทันดึงกลับมาหรือว่าจะมีการพลิกมือไปพลิกมือมาประกอบเพื่อเป็นตัวช่วยไม่ให้จิตเนี่ยมันไหลลอยไปไกลเพราะว่าบางทีพลิกมือไปพลิกมือมา ใจลอยู่ิีๆมันมีความรู้สึกที่มือมันก็เหมือนว่ามีการสะ ก, กิดให้จิตเนี่ยมันที่หลงลอยกลับมากลับมาที่ไหนกลับมาที่หอใจกลับมาที่การนั่งฟังคำบรรยายคือกลับมาอยู่กับปัจจุบันเวลาทำวัดเสร็จเดินลงไปที่กุฏิก็เจริญสติได้นะแม้จะไม่ใช่เดินจงกรมาการปฏิบัติการหรือว่าการเจริญสติ นะการทำความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันทำได้ง่ายมากนะมันไม่เรียกร้องว่าต้องมีเวลาพิเศษนะไม่ต้องไม่ให้เราต้องเลือกระหว่างนะการทำงานกับการปฏิบัติธรรมเพราะว่าทำงานกับการปฏิบัติธรรมโดยเพราะการเจริญสติก็ไปด้วยกันได้นะแนทงเวลาข้ามถนนเนี่ยเราก็ต้องให้โกาที่เจริญสติ หลวงพ่อคํามเขียนนั่นพูดเสมอนะนักปฏิบัติมันต้องเป็นต้องเป็นนักชฉวยโอกาสฉวยโอกาสทุกเวลาทุกกิจกรรมที่ทำเพื่อการเจริญสติหรือแม้มือมีการกระทบมีการกระทบเกิดขึ้นเกิดอารมณ์เกิดความโกรธเกิดความเศร้าเกิดความดีใจเกิดความเสียใจก็เป็นโอกาสของการเจริญสติอย่างที่เด็กคนเมื่อสักครู่เนี่ยดีใจ ก็เห็นมันเห็นข้างในมันดีใจเห็นความดีใจนะแต่ไม่ใช่ผู้ดีใจอันนี้ก็เด็กเขาก็รู้นะเห็นไม่เข้าไปเป็นแม้ทั้งในชีวิตประจำวันไม่ใช่การปฏิบัติในรูปแบบก็ยังเห็นไม่เข้าไปเป็นนะเห็นความดีใจไม่เป็นผู้ดีใจให้การจราเขียนเนี่ยมันมันจึงนะเป็นวิธีที่เรววาสากลยิ่งเรา ฝึกด้วยการเปิดตาเนี่ยไม่ปิดตาเนี่ยมันยิ่งมีประโยชน์นะในการประยุกใช้กับกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันเพราะว่ากิจกรรมส่วนใหญ่เราก็เปิดตาทําจตั้งแต่เก็บที่นอนอาบน้ำถูฟันล้างหน้าข้ามถนนขับรถนะกวาดใบไม้ล้างจานเปิดตาทั้งัถ้าเรารู้จักทาความสึกตัวเนี่ยค่ะที่เปิดตาสร้างจังหวะหรือเดินจงกรม มันก็ไม่ยากที่เราจะทำความศึกตัวในขณะที่เราทำกิจกรรมต่างมันเป็นการประยุกต่ง่ายเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักทาการปฏิบัติให้มันกลืนไปกับชีวิตประจำวันมันจะไม่มีข้ออ้างเลยว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาถ้ามันมีข้ออ้างแบบ น, นี้เมื่อไหร่แสดงว่ามันเป็นเหตุผลของกิเลสเป็นข้ออ้างของกิเลสไอ้ต้องถามตัวเองว่าเรามีเวลาโกรธม เรามีเวลาเครียดไหมเรามีเวลาเศร้าไหมนะกับความกบวบความเศร้าเราให้เวลากับมันแต่ทำไมการเจริญสติการปฏิบัติเราจึงไม่ยอมให้เวลากับมันแล้วอย่างที่บอกนะถ้าเราปฏิบัติในโดยที่ไม่ใช้รูปแบบเนี่ยมันไม่เรียกร้องเวลาเลยเพราะว่าทำอะไรก็เอาการปฏิบัติเนี่ยหรือการเจริญสติสวมทับเข้าได้เลยนะไม่ว่ากินดื่มเคี้ยวลิ้ม หรือม้แต่ข้อห้องน้าอุจจาระปัสสาวะก็เป็นโอกาสเจริญสติทา ง, งามสึกตัวได้